จะเทศถึงเรื่องความประมาท ก, กับความไม่ประมาทสองอย่างต้องเอามากหลือเอาสองอย่างตรง น, นั้นนะความประมาทอันเทศว้าความประมาทผูใ้ใดประมาทแล้วเปลี่ย น, นกับคนตาย ผู้ไม่ประมาทเปรียบเหมือนคนไม่ตายท่านว่างนั้นอะประมาประมาโดมัจจุนปะดังปมาอประมาไนประมาโดมัจจุนประดังอประมาโตประมาโดมสังปะดังท่านว่าอย่างนั้นค ว, ว, วามประมาทเป็นอ้นทางความตายท่านว่า ความประมาทในที่นี้นั้นทุกคนก็หาคุยพูดกันอยู่ความประมาทคือความเลอะเลอะคือความไม่เอาใจใส่คือความไม่มีสติคือความงัวเมาเนี่ยว่าความประมาทเป็นท้นทางวามตายตายแน่นอนตายตั้งแต่เบื้องต้น ตายจากคุณงามความดีถ้าเล่มเลิกระมาดมัวเมาลุ่มหลกเกิดเพลิพนสนุกสนานนะดรต่างๆนี้นะความดีเสื่อมสูญหมดนั่นน่ะเรียกว่าตายจากความดีถ้าตายจริงๆอะจั ง, จ ง, อ, ยงอย่างขับรถับเรือเพื่อไปในที่ต่างๆแม่เจ่ ยู่เฉยๆก็ตามคือถ้าเกิดเปินมอมประมาทรุ่มหลงแล้วเนี่ยจะต้องเป็นไปทั้งตา่างนั่นแหละประมาทแท้เดียวนล้วความประมาทนี้ใจก็รู้จักเมื่อทุกคนพูดกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทำอะไรตั้งๆเอเผอตั้งใจ ถ้าตั้งลงไปแล้วแน่มันตั้มาณนี่ไม่มีสติคำว่าปั่มมาเขาไม่มีสตินเท่ากันนะแหละอเดียวกันนั่นแหคะถ้ามันมีสติตั้งหมาก็ปั่มหมาตัหายไปถ้ามันมีสติตั้งหมาก็เผลอเลยรับความประมหมาผู้หลงมัวเมาต่างๆ่ก็เกิดขึ้นมา ในนั้นพระพุทธเจ้าท่าแสดงถึงเรื่องความปรหมายกวาเป็นทางให้ความตายคนเราเกิดมาทุกคนก็มไม่อยากตายอยู่แล้วถึงสอนต้ำก็ก็อีกว่าถ้าไม่อยากตายก็อย่าประมาทอย่าเรื่อนเล้ออยุ่มหลง ความเปนประมาทนั้นะเป็นคนฐานเป็นคนฐานกว่ไม่ตายตายในที่นี้นั่นพูดถึงเรื่องความประมาทมันตายจากกุศลความดีทุกสิ่งทุกประการไม่ตั้งสติให้มั่นคงถ้าตั้งสติมั่นคงลงไปแล้ว ความประมาทก็จะหายสูงไปหมดวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีความประมาทน้อยจะเท่าไรมีความไม่ประมาทน้อยจะเท่าไรให้ฉันเกตอยู่ถ้าหากประมาทมากก็เรียกว่าตายมากประมาทน้อยก็เรียกว่าตายน้อยทำจิตกางงานทุกทสิ่งทุกอย่าง มีติดควบคุมจิตอยู่ให้เผอไม่พังเผล อ, อลุมหลมไปได้นั่นเรียกว่าความา่ประมาทควบคุมอยู่มีติดควบคุ ม, มเรียก่ความไม่ประมาทควบคุมอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าเ น, นย้อเยื่อหน า, นานถ้าตั้งเผลอลงไป ประมาทมัวเมาลุ่มหลงนั้นตายไปแล้วจากความดีเราเกิดขึ้นมาไม่อยากตายก็ให้แสดงคาความดีซึ่งไม่ประมาทนี่แหละยืนเดินนั่งนอนอยากระดกแต่แด่หมดเราเป็นผู้ปฏิบัติ มาปฏิบัติศษษาสนาผู้เจ้ามีหน้าที่ยังไงมีหน้าที่อะไรบ้างที่เราทำนอกจากสติแล้วไม่มีอะไรหรอกตั้งสตีอันเดียวเท่นั้นเราตั้งสติทุกเมื่อทุกขณะเห็นจิตอยู่ทุกเมื่อเห็นจิตอยู่ทุกขณะอันนั้นเรียกรงไม่ประมาท คิดดีคิดชั่วคิดยากคิดละเอียด ส, ออส่งออกภายนอกส่งออกภายนอกมันไปปรุงประแจงอะไรก็รู้ตัวเมื่อรู้ตัวมันถอนออกมามันถอนจากสิ่งนั้นนั่งมันเข้ามาสมบอยู่ในทีเดียวสตินี่อนาจมาก สามารถควบคุมจิติตที่ไม่มีตนไม่ตัวแต่คุมได้นอกจากสติแล้วไม่มีอะไรสติก<ต>็ ม, ม, มีตัวจิตก็ ม, มีตัวเขามมีตัวทุกฝังมีตัวคุมกันได้เมื่อสติคุมจิตอยู่แล้วส่วนกายภายนอกมันก็อยู่อํานาจของจิต าการกิริยาภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างการพูดการทำทุกสิ่งส่วน น, วนวั้นเลยเนี่ยสติวกคุงจิตก็อยู่ในอำนาจของจิตเัวเองเราทำสิ่งใดสมควรหรือไม่สมควรพิจารถูกรู้จักดีกับชั่วสติควบคุจิต ย่อมรู้ตัวได้สิ่งใดที่เราควรทำเราปวดมาเนีศาสนาเป็นฆ่าเป็นเนรเป็นชีเน่ยอุบาสกอุบาธิกาอะไรก็ตามเถอะเมื่อมีจิตคุบแล้วรู้ในสิ่งนั้นว่าเราทำสิ่งใดสมควร แกรูปร่างของเราต้องควรแก่สมณะของเราองควรแก่ฐานะของเราหรือไม่รู้จักถ้าหากว่าคามุมจะดีอยู่อย่างนี้แล้วรู้ได้ทีเดียวไม่ใช่หลับตาภาวนาเฉยเฉยให้มันจิตอยู่เท่านั้นมันต้องรู้ของภายนอกด้วย จริงในเราทําแล้วจร่งแล้วเราไม่จร่งใดเราไม่ควรทำจริงใดยังไม่ทันทําตรวจการพิจารณาย่ตลอดเวลามีสมญญติมีปัญญาตรงนั้นอะมีปัญญาตรงนั้นนะมีปัญญาเนี่ยคือรู้รอบรู้ตัวจร่งใดทีเ่เราควรเราควรทํา จริงเลยเราทำ้ว้เลยยังไม่ทันทำรู้ตัวเนี่ยปัญญาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เข้าไปสงบนิ่งเฉยไม่มีอะไรเลยอันนั้นไม่เกิดปัญญาปัญญาจงเกิดจากสติที่ดังหักควบคุมจิตอยู่ในดังหัก ต้องควบคุมจิตอยู่แล้วต้องตรวดกา่าจรนาตนเองอยงอธิบายมานะ ป, ปัญญาที่สูงปัญญาที่สูงที่เดียวกับปัญญาพัฒนาไว้ต่างหากนั้นต้องดูแลต้องพิจารณาของนี่ใช่า คนใจฉลาดเขียบแตงไม่ต้องพิจารณาเรื่องนี้นะวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งเราค้นผ่านนะที่ค้นผ่านไปแล้วนะตรวจลราพิจหารณายึดตลอด้วลาเราควรทำอะไรอันนั้นเราทำแล้วหรื อ, อยังหรือยังไม่ทำ สิ่งไหนที่ควรทํารีบทําแค่สิ่งไหนที่ทาได้ก็พิจารณาดูอีกทีหนึ่ ง, งต้องมันสมควรแร้วไม่สมควรกัรพิจารณาในสิ่งที่ควรแล้วไม่ควรมันต้องพิจารณายังไม่ทําไม่ต้องพิจารณาทําได้ก็ต้องพิจารณาตลอดเวลาพิจารณาอยู่อย่างนั้น ก็เราเกิดขึ้นมามีการกิริยากระทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ากิริยากิริยานี่แหละเป็นเหตุให้เราพิจารณาก้ะท่ามันมีการกระทํำแล้วก็ไม่มีการพิจารณากระทําทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะทำภายในหรืภายนอก ภายนอกคือกิจการงานภายในคือทําสมาธิภาวนาภายในใจกิจนั้นไดเป็นของส่วนตัวกิจจันไดเป็นของส่วนรวมจิตอันใดเป็นกิจที่จะต้องทําเพื่อประโยชน์คนอื่นไม่เพื่อตนเองทำเพื่อประโยช น, น์นคนอื่นก็ไม่ได้ทำเพื่ประโยช น, น์คนหนึ่งไปเดียวไม่ได้ หาดทุนทำที่ประโยชน์ตนเองไม่ทำไปยังอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์มันกว้างกวา mit mit ้าประโยชน์คนอื่นก็ทำประโยชน์ตนเองก็ต้องทำเมื่อทำประโยชน์คนอื่นให้ความกันกับถ้ามันได้ประโยชน์ในตัวเองจึงจะเป็นธรรมถ้าทำประโยชน์คนอื่นอย่างเดียวแล้วประโยชน์ตนเองขาดไปไม่เป็นธรร เราทำประโยชน์ของตนแล้วยังก็ทําประโยชคนอื่นใครๆทาประโยชคนอื่นนั้นทั้งหมดทําอะไรทำประโยชคนอื่นเพื่อประโยชคนอื่นแต่แท้จริงแกตัวของเราเองไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นอย่างละเมตดตาคนอื่นต้องตาเนี่ยคนอื่นต้องข้าวคนอื่นด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยคูนตับอะไรต่างๆต้องข้าคนอื่นครับ แค่จริงแค่สมขอทตนเองแต่หากลืมเนี่ยเมื่อลืมมันก็ขาดประโยชน์ส่วนตัวตัวของเราเนี่แหละทำดีคือเอ็นดูเมตตาปัตนา ค, คนอื่นเรียกว่าตัวของเราตัวนี้แหละมีลายกับใจเนี่ยมันยังไปทำทำประโยชน์เพื่อคนอื่นอย่างเดียว แท้ที่จริงก็คือตัวของเราที่กายกับใจเนี่รนะทำแต่หากลืมเชือลืมก็เลยไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวถ้าไปลืมก่นอนอะไรที่เป็นประโยชน์ของเราเราทำดีแล้วปากถนาเนี่ตายแก ค, คนอื่นเราได้ตั้งมั่นลงไปในใจของเราอยู่ที่ใจ คนในตัวของเราที่อยู่ที่ใจนี่แนะกับกายนี่แหละกายของเราก็อยู่ปกติใจก็นิน่งแนว่วเมื่อทํำแล้วปล่อยวางอย่าไปทิ้งตัวของตนทำประโยชน์ก็เนื้นนะอเย่าไปทิ้งให้หวางแค่ของให้มันถึงตัวอยู่เสมอและเสมออันนั้นเรียกว่าทําไปโยชนตนเองรู้จักตนเองทำประโยชนคนอื่นจนะได้ประโยชน์ของตนถ้าทําอย่างเดียว อันประโยชนก็หนื่นอย่างเดียวแล้วไม่เดียวแลกกลับคือมาฮาตัวเองก็เลยนม่ ค, ค, มมนววความดีความเลยนม่มีมีระบบความประมาทับความประมาณความประมาณคือไม่ได้ประโยชน์ตนไม่ได้ประโยชน์ของตนนั้นก็เรียกว่าความประมาณเหมือนกันควา ม, มประมาทคือว่าทาแล้วให้นอนนึกสมกัดให้ไม่อยู่ในที่เดียว ให้เข้ามาส่วนในได้ น, นี้เรียกว่าสมาธิสมานั้นได้ชื่อว่าไม่ตายความส่งออกไยนอกคิดภายนอกถึงมีจะดีอยู่กับในชั่วาตายคือไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวในแต่าตายมีหลายชั้นมีหลายตอน ที่ตายเพราะเหตุเพื่อเกิดมือเมาจะทัดทุกสิ่งทุกอย่างร่มหลงประมาทนั่นเรียกว่าประประมาทแท้นั่นนเรียกว่าประมาทแต่ตราวนี้คันยังว่าเกิดเนตตาสงสารเช่นดูผู้นคนทักษาต่างๆอันนั้นจะเรียกว่าประมาทเหมือนกันคือไม่น้อมประมาทตัวเองคันยอมสดะน้องโม ทำสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วตัวงเราทํามันยิ่งแน่วอยู่เชอยู่กับที่ปล่อยวางแต่ในนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีประมาทโดยแท้เนี่มีในหลายอย่างหลายประการอย่างนี้แหละความประมาทกับความไม่ประมาทความประมาทกับความประมาทที่นั่นทำอะไรทุกสิ่งทุกประการคือตวงเรานี่ยทางนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่อื่นหรอก ให้เห็นตัวของตนอนู่เสมอรู้ตัวเองตนอนู่เสมอถามแน้วให้ปล่อยมาให้เข้ามาหาตัวเองนิ่นงแนวเสมอคิดอย่างนั้นเรียกว่าคิดของคนอื่นเราถามเนี่ยแล้วน้องเข้ามาหาตัวเองให้อยู่ตัวเองนิ่งแนวอยู่เสมออันนี้เรียกว่าเป็ดภูมิป h a r m โดยแท้อธิบายธรรมะให้ฟัง เ้ื่อองการอยากจะให้เข้าใจไม่เข้าใจมากกว่าเดียวเนะี่ยให้เข้าใจเดียวก็พออย่างอางที่ไปฟังเรื่องความประมาทก็ไม่ประมาทน เ, เป็นที่หลวมของธรร ม, มดังหลวงมดพุตส่าห์ตะลุรวมในความ่ประมาทนเดียวขันธ์ท่าหาว่า เข้าใจเนื้อวงเห็นธรรมานี้แล้วพิจารณาไปเถอดพิจารณาไปเถก็พิจารณาคือความไม่ประมาทเนี่ยคว้มวางวิถดานมากการทานก็ควรมาประมาทรักษาศีลจะเป็นปุ่้แบบประมาทไม่ประมาทการท่าประมาทและไม่รักษาจิตหรอกไม่ทำทางครับการเจริญภาวนา ก็เป็นผู้ประมาท ก, การทำสมาธิการอภิษฐานก็เป็นผู้ปฏิมาอยู่ในความประมาทั้งหมดถ้าจะตั้งสติให้พิจารณายอยู่ตลอดเวลาความเป็ประมาทดันแหละตั้ ง, งสติเสมอพิจารณาทุกหลงใจก็ออกความเป็นประมาทดันนหละพิจารณาจิตรวมลงไปเป็น สมาธินี้แน่แนกระเพาะคงไม่ประมาทนั่งความประมาทกระเผือเลยรุ่งหลงรุ่มหลงไปเจ้าประกาศต่างๆสตร์ น, นั่นประมาทถ้าความประมาทแน่แน่เต็มที่ที่ยัอ่านในสิ่งเดียวจนลงเป็นเอกประตาจิตเอกปรตาลงนั่งความไมประมาทเป็นความลึกคำว่าประมาทไม่ประมาทในที่นี้จึงญวิชาศาสานาผู้ดีเจ้าทั้งหมด รวมความลงความในการะมาดท่า น, นเดียวแค่ศาสนาห้าออกไปพวงพวงเข้ า, าไปถ้าหากฟังไม่ได้ความเขาไม่มีประโยชน์อุเทศก็มีประโยชน์ผู้ฟังก็ไม่มีประโยชน์นั่งฟังเปล่าท้างานว่าได้ความเขาไม่ประมาทตัวเดียวเท่านั้นแหละทีะาชนะเนียเน่ยแน่ไป จิตเป็นนิ่งแน่วเป็นเอกลักษณจิต เ, เอกลัลกษณลมไอ้เนี้ยเรียกวความความหมายเกิดขึ้นมาแล้วเป็นว่าได้ความแล้วทำมากมากมายก็มาลงในะความครามหมายอนะันเดียวนั้นเทศจะได้เทศไปถไถเปถอะเทศบางครั้งเกนุ่ประเทศเถอหาได้ความแล้วลงอันเดียวกันนั่น